สุทธิกะอริยผลโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าโสดาปฏิผลแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อรหัตผล ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอรันตะผลให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิก